ผู้ทั่วสวัสดีคร FM ครอบครัวค่าว 106 นะคะที่ท่านกําลังฟังอยู่ ในสิ่งที่ตรัสสอนเอาไว้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีพระค่ะสวัสดี 2 วันที่ผ่านมาเสียงอืมคือ ถ้าอยู่ในบทสนทนาในสังคมชาวพุทธทั่วไปเราก็มักจะได้ยินว่าอ่ะเอาชาติหน้าก็แล้วกันหรือว่าชาติที่แล้วคงจะทํามาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ๆด้วยเหตุด้วยผลบางทีบางคนบอกว่าเอ๊ะจะ นะสมมุติถ้าสมมุติแล้วเราอ่าอาจจะไม่มีจริงๆแล้วไม่มีสมมุตินะนี่สมมุติทีนี้ตายแล้วจบ อยากกินตรงไหนกินอยากทําช่วยตรงไหนทําแต่ไม่ได้แคร์ใครอะไรไงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าฉันๆยังไงนะถ้าจิต เรามีความสุขๆเนี่ยเค้าติเตียนเราได้นะเช่นเรารักษาศีลเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บริพิตรในกามนะไม่การๆมันอาจจะไม่ 1 อ่า เป็นความเชื่อที่เอ่อจะจะพระเจ้าใช่มั้ยแต่มันไม่เกิดการขุดรากตัวเอง เอ่อๆหน้าไม่มีจริงคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณไปตก 2 อย่าง ศีล 5 ปรมิหาร 4 เนี่ย 2 อย่างเนี้ยเป็นธรรมที่เรียกว่าเอ่อ นั่น is the ความก็เรียกว่าพระเจ้าใช้คําว่าๆนอกจาก นะชาติหน้ามีจริงเนี่ยโอ้โหคนยิ่ง 2 ที่จะ 3 ก็คือว่าถ้าบาปมีๆเนี่ย เนน้อยเราก็ไม่ถูกตําหนิในปัจจุบันเราก็อย่างสบายใจอยู่นะตรงนี้คือความเบาใจ 4 อย่างนะที่ๆนะเพราะว่ามันจะไปพิสูจน์ยังไงอ่ะคือ พระพุทธองค์เองก็ไม่อยากๆเอ่อสัตว์ประหลาดเทวดงเทวดาอะไรอย่างเงี้ยจะ เอ่อไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นเราก็เห็นอยู่แต่เราไม่พูดนะเพราะว่าไม่มีคน มีข่าวหลายๆอย่างเหมือนกันนะในช่วงที่อ่าระลึกชาติได้ว่าสมัยก่อนนั้นเขาเกิดเป็นคนนี้อยู่ที่นี่อืม เอ่อคนที่ไม่เชื่อเค้าก็จะเถียงว่าไม่อาจจะไม่ใช่หรอกก็อาจจะความจําของคนนั้นมันจะสลายมาอยู่ วิชาการนะฉันต้องมีเครื่องพิสูจน์อ้าวคุณยังพิสูจน์ค่ะที่แม้กระทั่งพระพุทธองค์นี้ แต่ว่าถ้าเราทําดีเอาไว้ก่อนเนี่ยปลอดภัยที่สุด เครื่องอยู่ของของพรหมวิหารหมายถึงที่อยู่ 4 อย่างนี้คือพรหมวิหาร 4 เอ่อศีลก็ตามพรหมวิหาร นะความรักความเมตตาในที่นี้พระผู้ชาติยกตัวอย่าง 2 คือความกรุณา แม้เราอยากจะมีความปรารถนาให้เขาพ้น นะตอนจะมีความแตกต่างกันอยู่อันที่ 3 <ใช>คือความเอ่อมุทิตานะมุทิตาจิตก็คือวิรลักษณะของแสดงความยินดีนะเค้าประสบ<ใช> นะสิ่งที่ตรงข้ามเราจะดูได้เช่น แม้เวลาจะแผ่เมตตาก็เลยยังจะนะคุณก็ต้องแผ่เมตตาให้เค้า น่ะเป็นลักษณะของการวางเฉยอย่างน้อยค่ะ ขอประทานโทษนะคะแทรกนิดนึงค่ะเอ่อสําหรับ 2 กรณีเอ่อเราเดินไป นะอุเบกขาเออฉันไม่ต้องผ่านกรุณาไม่ต้องผ่านเมตตาก่อนนะอุเบกขาเลยเราไม่สนใจไม่ยุ่งนั้นในขณะที่ถ้าเรา แล้วมันกรุณาอุเบกขาเนี่ยหมายถึงว่าบางทีเราก็เอ่อใช้ขึ้นมา นะเป็นธรรมะที่ไม่มีทางผิดไม่ว่าคุณจะไปอยู่ประเทศ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าที่กําลังคิดจะ ก็มาฟังหลักแล้วไม่เสียหายเลย FM 106 กันได้ใหม่